นีใครอยากกะถามอะไรมหมยอันนี้ถ ว, ถวาถยผ้าขาวทำไมเี่ส่วนพส่วนอ่อแม่ไปแล้พ่อแม่เสียไปแล้วเหร อ, อเสียไปนานหรอือยังได้ไม่ห้าปีแล้วก็ได้สามปีนี้นะคะก็ทำ อ, อยู่เป็นประจำเลยพอดีไปบ้านตาพระจาสุดใจให้อา ก, กาศมาฟังค บ้านอยู่แถวนี้เหรออยู่บ้านดุงเจ้าพักการบ้านดุงเคยไปวัดบุญยาวาสหรือ่าบุญยาวาสก็ไปอยู่อ่ะเคยไปใช่ไหมหลวงพ่อสุดใจท่านบอให้มาฟังธรรมพระอาจารวาอยู่ใกล้ๆไม่อยากให้ไปไกลอ๋อแค่นั้นแหะท่านอยู่ ท่านไม่อยากสแสดงท่านก็เลยให้มาฟั ง, งนงี่ท่านบท่านเลยท่านแทบแทบพวเราก็ฟังแบบทัพพีในหม้อแกงมันถึงเหนื่อยพอสแสดงไปก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจต้องต้องฟังทําแบบลิ้นกับแกงฟังคนเดียวก็เข้าใจฟังแล้วก็บรรลุได้เลย เนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้โยมคนหนึ่งแสดงคนเดียวเขาก็บรรลุได้เนะี่ยพระเจ้าแสดงว่าเห็นอะไรให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรให้สักแต่ว่าได้ยินให้รู้เฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าว่าไปเป็นของเราอย่าไปว่ามันดีมันเป็นสุขถ้าไป ปรุงแต่งว่ามันดีเป็นของเรามันก็เกิดความอยากขึ้นมาโดยความอยากแล้วใจก็ไม่สุขแล้วใจอยู่ไม่เป็นสุข แ, แต่ถ้าดูเฉยๆมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์กับใจมีแต่เป็นโทษเพราะทําให้ใจหนักอย่างที่เราหนักอกหนักใจเพราะอะไรหนักกับลูกเสียงกลิ่นรดเนี่ะเห็นลูกทีงหนึ่งก็หนักอกหนักใจเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ก็หนักอกหนักใจได้ยินเสียงเขาโหดก็หนักอกหนักใจเนี่ยเราไปแบกมันที่ทำมันมันไม่ ถ, ถ, ถ, มม ถ, ถ้าเราไม่ไปแบกมันไม่หนักหรอกรถรถยนนี้คันไม่เริ่มเลยเราไม่รู้สึกหนักถ้าเราไม่ไปแบกมันแต่ถ้าเราจะจะเปลี่ยนยางเนี่ยลองยกลองยกรถขึ้นมามันจะรู้สึกว่าหนักถ้าเราไม่ไปยกมันไม่หนักถ้าเราไม่ไปแบกมันไม่หนักของทุกอย่างเราไปยกไปหนักเพราะว่าเราไปยึดไปติด ไปคิดว่าเป็นของเรา <Yeah. S 2> เป็นตัวเราพ <Yeah. S 2> อมาอะไรเป็นของเราเป็นตัวเราเราก็ อ, อยากอยากให้มันดี <Yeah. S 2> อยากให้มันดีเป็นนานๆ <Yeah. S 2> อยากไม่ให้มันมีวันจบสิน้น <Yeah. S 2> แต่มันเป็นไปตามความอยากเราไม่ได้ข้อของทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเรา เราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นอะไรมันก็จะเป็นร่างกายเวลามันจะแก่มันก็แก่มันจะเจ็บมันก็เจ็บมันจะตายก็จะตายเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราแต่เราไปอยากให้มันเป็นของเราเราก็เลยหนักอกหนักใจกับมัน เวลาที่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้มันเป็นอะไรเราจะไม่หนักกดหนักใจมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้นี่ยคืเรามาหาัดฝึกอย่าไปแบก ให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆให้ได้ยินเฉยๆใครชมก็ไม่ต้องไปดีใจใครด่าก็ไม่ต้องไปเสียใจเป็นเหมือนเสียงเป็นเสียงลมพัดอย่างีเสียงลงมพัดเราฟังแล้วเราไม่รู้สึกเดือดร้อนฟังเสียงอื่นเสียงนินทาก็เดือดร้อนเสียงสรรเสริญก็ตื่นเต้นดีใจ ก็เราไม่ฟังเฉยๆใจเราไม่เฉยใจเราไปรับไปชังกับเสียงเราต้องมาปรับใจให้ใจของเราไม่มีไม่รับไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจของเรามีจุดอยู่จุดหนึ่งที่เราสามารถทําให้ใจนี้เ้ายืนอยู่บนจุดนั้นได้ ใจนั้นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจุดนั่นก็คือจุดของความสงบถ้าใจสงบหยุดคิดได้นิ่งเฉยใจก็จะไม่รักไม่ชังไม่กรัวไม่หลงแล้วพอมาสัมผัสรับรูบก้กับอะไรต่างๆก็จะไม่หนักอกหนักใจที่เรามาฝึก ปฏิบัติกันมานั่งสมาธิกันเพื่อมาปรับใจให้ไปอยู่ตรงจุดนั้นจุดที่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาก็คือไม่มีความรักไม่มีความชางังอยู่กลางกลางอ ย, อยู่ระหว่างรักอยู่ระหว่างชางัง อ, อยู่ระหว่างกลัวอยู่ระหว่างหลงถ้าอยู่ถึงจุดนั้นแล้วใจจะสบาย ใจจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่แหละคือจุดยืนของ จ, จุดยืนของใจหรือฐานของจิตรเราต้องดึงจิตเข้าไปที่ฐานถ้าจิตยืนอยู่บนฐานแล้วจิตจะมีความมั่นคงมีความหนักแน่นไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหว กับรูปเสียงกิ่นรถโทธฐะที่ใจมาสัมผัสรับรู้ท่านี้เองนี่คือเคล็ดลับของของชีวิตเคล็ดลับของความสุขใจอยู่ตรงนี้แนหะละดึงใจให้มันไปอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้ตรงจุดที่เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ แล้วเวลาอะไรมากระทบนี่มันจะสักแต่ว่ารู้แค่นั้นเองมันจะไม่ดีใจไม่เสียใจไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใยใจของเราตอนนี้มันถูกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาหลอกให้ออกจากจุดนั้นหลอกให้เรามาอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรถ เราก็ไปดีใจไปเสียใจกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภเราต้องดึงใจเราให้กลับไปอยู่ที่ฐานอยู่ที่อุเบกขาและเวลารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่หนักอกหนักใจสิ่งที่จะดึงใจให้เราไปที่ฐานได้ไปที่อุเบกขาได้ก็คือสติ และปัญญาขั้นตนนี้ใช้สติเพราะสตินี้เป็นธรรม ท, ที่ง่ายกว่าปัญญาสตินี้เพียงแต่ลเลืกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะเข้าสู่เบิกขาได้เน่ออยู่กับกรรมฐานใจกรรมฐานหนึ่ง กรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดอนุสติก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่เริ่มลึกโดยวิธีจเจริญบทพุทธคุณก็ได้ท่องอิติปิโสไปภายในใจท่องอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เวลจะใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจไม่คิดก็หยุดพุทโธก็ได้ถ้าใจไม่คิดใจรู้เฉยๆก็หยุดพุทโธแต่ถ้าใจคิดเราก็ต้องพุทโธพุทโธจนกว่ามันจะหยุดคิดถ้ามันหยุดคิดแล้วเราก็หยุดพุทโธได้ อนุสติก็มีอยู่สิบพุทธานุสติธรรมานุสติก็บทธรรมคุณหรือบริกรรมสังโคสังโคสังสังคงงงานุสติก็ระลึกสังระลึกถึงเพราะสังคคุณหรือสังโคสังโคไปอนุสติสเทวานุสติหลับตา แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปแต่ถ้าเราไม่ได้นั่งเฉยๆเราก็ใช้พุทธานุสติเช่นเราเดินหรือทำอะไรอยู่แล้วใจมันยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ใช้พุทธานุสติหรือบริกรรมพุทโธพุทโธดึงใจให้หยุดคิดให้กลับมาอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ อยู่กับงานที่เราทําอยู่นี่เป็นวิธีเจริญสติพุทธานุสติก็ได้หรือกายกตาสติก็ได้ก า, กาย ก, กายกตาสติก็ให้ดูร่างกายดูร่างกายก็ดูได้สองแบบดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นกาำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกาำลังรับประทานก็ให้อยู่กับการรับประทานกาำลังดื่มก็ให้อยู่กับการดื่มไม่ว่าร่างกายทำอะไรก็ให้อยู่กับให้ใจเข้าดูร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่ากายยักตาสติ กายะสตาสติอีกแบบหนึ่งก็ให้ดูอาการ32สองของร่างกายเช่น<อ>ให้กำหนดนึกถึงผมถึงขนถึงเล็บถึงฟันถึงหนังถึงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ยื่อในสมองสีสันน้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ท่อน้ำมูดแล้วก็ให้พิจณาย้อนกลับน้ำมูดน้ำไข้ทอน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้น น้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเลจน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอ า, อาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตท้งงผืดตับหัวใจ ม, ม้มามเยื่อในกระดูกม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนัง ปันเว็บขนผมเนี่ยอาการ3 2มถ้าเราอชอบคิดฟุ้งร้างก็ลองให้มาคิดถึงอาการ3 2มสิอนต้นลองท่องชื่อมันไว้ก่อนท่องให้มันจําได้ทั้งทั้งอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมก็ท่องไปข้างหน้าจากข้างนอกเข้าไปข้างในอนุปฏิโลมก็จากข้างในออกมาข้างนอก หนสิบสองอาการไปกับก็หกสิบสี่อาการถ้าใจเราท่องอยู่กับอาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้เป็นวิธีหยุดความคิดแต่ละวิธีที่เราอาจจะต้องใช้สลับการเปลี่ยนกันไปตามวาระอันสมควรอันนี้เรียกว่า อนุสติสิบนอกจากนั้นก็ยังมีมรณานุสติ <Yeah. S 1> ก็นัน้นึกถึงความตาย <Yeah. S 1> ให้คิดอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วต้องตาย <Yeah. S 1> หนีความตายไปไม่ได้ <Yeah. S 1> ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี <Yeah. S 1> หนีไม่พ้น <Yeah. S 1> คือความตาย <Yeah. S 1> ให้ท่องร่างกายนี้ <Yeah. S 1> เกิดมาแล้วต้องตาย หนีความตายไม่ได้หนีไม่พ้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีความตายคืออะไรคือการหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคิดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้ใจเราสงบใจเราจะหยุดคิดได้แล้วถ้าจะให้มันหยุดคิดเต็มที่ให้มันเข้าสู่ จุดอุเบกขานี่ต้องนั่งเฉยๆถ้าเดินถ้าทำอะไรอยู่นี่จิตมันยังนิ่งไม่ได้จิตยังต้องควบคุมร่างกายยังต้องสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอยู่ตอนนั้นก็ต้องเพียงแต่ต้องประคับประคองไว้ต้องอาศัยต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่สร้างสติขึ้นมาเวลานั่งเฉยๆจิตมันจะไม่นิ่งมันจะไม่เป็นอุเบกขา มันจะไม่รวมเป็นหนึ่งสักวตารูปตอนนี้จิตมันกระจายออกมาที่ตาหูจมูกมือกายเหมือนแสงไฟฉายเห็นไหมแสงไฟฉายนี่มันออกมาจากหลอดอันเดียวแต่มันกระจายเวลาเปิดไฟนี่แสงมันจะกระจายออกไปเราต้องการดึงกระแสจิตที่มันกระจายออกไปเนี่ยมันกระจายออกไปทางวิญญาณทั้งห้าไปทางจากักรวิญญาณโสตวิญญาณ ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเราใช้สติดึงมันกลับมาเหมือนกับแหที่เขาใช้ทอดแผจับปลาเนี่เวลาก็าทอดนี้มันจะกระจายและเวลาก็ดึงกลับมามันจะดึงกลับเข้ามามารวมกันสตินี่แหละเป็นตัวดึงใจที่กระจายออกไปทางตาหูจมูกกิ้กายให้กลับเข้ามารวมเป็นหนึ่ง ด้วยสติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จะต้องนั่งเฉยๆถึงจะรู้ตอนต้นถ้าเราไม่สามารถนั่งได้ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ยังต้องใช้สติอยู่ถ้าเราไม่ใช้สติเลยเดี๋ยวเวลามานั่งสติจะไม่มีจะไม่มีกำลังนั่งแล้วก็จะหยุดความคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพัดหยุดความคิดก่อนที่เรามานั่งให้มันคิดในเรื่อง ให้มันคิดอยู่กับเรื่องของกรรมฐานนี้อาการสาสิบสองก็ได้ถ้ามันคิดฟุง้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ลองให้มันมาคิดถึงอาการสามสิบสองดูท่องชื่อมันไปก่อนก็ได้ผมขนเล็บฟังหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อเนกระดูกนาำหัวใจตับทั้งผืดท่องนั้นขึ้นใจทำแล้วมันก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือจะพุโทโธ สวดพุทธานุสติใบกะดาอิติปิโสภควาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสำปันโนสุขตโโลกะวิถูอนุตตะโรปุริสธรรมะสาระทิสัทธะเทวามนุสสานังบุตโธภะคะวาเปธรมานุสติกะเตเนสวาคาโตภะคะตาธัมโมสัมพิทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก <Yeah. S 1> โอปัญญโกปา จ, จตังเวนิตตบโววินยูเฮติเนี่ยสังขานุสติก็สุปฏิปันโนผักวะโตซาวะกาสซังโกสวดมันไปเนี่ยถ้าสวดไปมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ชนะเดี๋ยวความคิดก็หยุดคิดพอหยุดคิดเราก็หยุดสวดได้เรานองหยุดสวดดูแล้วดูมันคิดไหมแต่เราสวดไปสักพักเรารู้สึกเหนื่อย ถ้าเราเหนื่อยแล้วมันก็ไม่อยากจะคิดนะที่สวดให้สวด ใ, ให้มันเหนื่อยให้ใจมันเหนื่อยมันจะได้ไม่อยากคิดถ้าใจมันไม่เหนื่อยมันก็ชอบคิดคิดถึงเรื่องนั่นคิดถึงเรื่องนี้เราต้องเอาความคิดที่ดีมาสู้กับความคิดที่ไม่ดีเอากรรมฐานความคิดของก ร, รมฐานเป็นการใช้สติเป็นการสร้างสติขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความคิดมันก็อยู่ ถ้ามันคิดอีกเราก็สวดอีกถ้ามันคิดอีกเราก็สวดอีกเหมือนกับรถเนี่ยถ้ามันไหลก็เหยียบเบรกถ้ามันไหลก็เหยียบเบรถ้ามันไม่ไหลก็ไม่ต้องเหยียบเบรเดี๋ยวมันก็หยุดเองแล้วถ้าจะให้มันรวมเป็นหนึ่งให้มันนิ่งเต็มที่เป็นอุเบกขาก็นั่งชิตนั่งสมาธิต้องนั่งหลับตาแล้วจิตมันจะดินเข้าสู่ฐานเต็มที่ รวมเป็นหนึ่งเวลาดิ่งก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อวุ้บลงไปแล้วก็นิ่งเย็นสบายมีความสุขไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิตไม่มีอะไรให้แบกบนี่คือการฝึกจิตนึ่งจิตให้กลับไปอยู่ที่จุดที่ปลอดภัยถ้าจิตอยู่ตรงจุดนี้นะ่ปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะมากระทบกับจิตนี่ จิตจะไม่หวั่นไหวจิตจะเป็นเหมือนก้อนหินก้กอนหินใหญ่ที่พายุพัดมาก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนก้อนหินนั้นได้แต่ถ้าจิตไม่มีอุเบกขานี่จิตจะเหมือนกับใบไม้ใบนุ่นขนนุ่นขนนกอะไรพวกนี้ลมพัดมาเบาๆก็ไปแล้ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็ไปแล้ะ เนื้คิดถึงเรื่องอะไรนิดหน่อยก็ไปแล้วไม่มีความหนักแน่นไม่มีสติเลยไม่มีสติดึงจิตดึงใจเอาไว้ฉงนั้นหัดมาฝึกสติกันจะมีคุณค่ามากมีประโยชน์มากพอเราได้จิตไปอยู่ตรงจุดโอเบคาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาหัดใช้ปัญญากันเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่องอุเบกขานี้แต่ยังมีตัวที่ชอบมันดึงมาหลอกให้จิตออกจากช่องอุเบกขานี้ก็คือตัวโมหะาอาวิชชาตัวกิเลสตัณหามันจะมาหลอกว่าออกไปจากตรงนี้ดีกว่าไปหากาแฟดีกว่าไปหาขนมดีกว่าไปหาภาพยนตร์ดีกว่าไปหาอะไรต่างๆพอมันถูก พออะไรจะมาหลอกเราก็ต้องใช้ปัญญาวไปหาความทุกข์ไปหาทําไมไปแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ก็สุขใหม่ๆเวลาไปเที่ยวก็สุขพอกลับมาบ้านสุขนั่นก็หายไปเหงาเหมือนเดิมว้าเหวเหมือนเดิมซื้ออยู่จุดนี้ดีกว่าจุดอุเบกขาไม่มีวันเหงาไม่มีวันว้าเหวสบายอยู่แล้วสุขอยู่แล้วไม่มีสุขอันใดจะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจาก ความสงบนี้แล้วจะไปหาความสุขอะไรอีกเรามีของวิเศษอยู่แล้วคือความสงบถ้าเรามีความสงบแล้วเราต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจเพื่อจะได้กาจัดตัวโมหะอวิชชาที่ชอบมาหลอกคิดว่าไปหารูปดีกว่านะไปหาเสียงดีนะไปหากลิ่นหารสเพราะเรายังมีร่างกายเรายังต้องกินอยู่ต้องกินต้องดื่นอยู่ แต่เราต้องใช้ปัญญากินดื่มอย่าไปใช้โมหะอวิชากินดื่มถ้าโมหะอวิชาก็กินดื่มแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเพอพอนึกถึงปั๊บก็อยากจะดื่มอยากจะกินขึ้นมาทัน ท, ทีทั้งที่ร่างกายมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดื่มต้องกินถ้าแต่ถ้ามีปัญญาก็จะคอยสอนใจให้รู้จักแยกแยะว่า อะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความจําเป็นถ้าเป็นความจําเป็นก็ทําได้เช่นเมื่อถึงเวลาต้องกินข้าวก็กินได้แตะน่ามันกินวันละมื้ออย่างนี้พอกินเสร็จแล้วก็ห้ามกินอีกแล้วโดยเด็ดขาดจะกินอีกครั้งก็ต้องพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมอวันนี้กินเวลาแปดโง เช้าพรุ่งนี้เช้าจะกินอีกรอบหนึ่งก็ต้องพรุ่งนี้เช้าแปดมงถ้ากินเพื่อร่างกายกินแค่หนเดียวก็พอแต่ถ้ากินเพื่อกิเลสนี่กินกี่หนก็ไม่พออยากกินไปเรื่อยยิ่งกินยิ่ง อ, อยากยิ่งหิวความรู้สึกมันจะหลอกเราว่าหิวแต่ร่างกายมันไม่หิวร่างกายมันพองจะเป็นตุ่ะ ก็ยังไปหิวยังไปอยากอยู่หลังจากที่เราได้สติได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญาจะทำลายตัวที่จะมาหลอกให้เราไปหาความทุกข์ก็คือโมหะาอาวิชากิเลสตัณหามันจะหลอกว่าโอ้ได้นั่นได้นี่มาแล้วจะมีความสุข คนที่ไม่มีแฟนก็จะหลอกว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขคนที่ไม่มีลูกก็จะหลอกว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขแล้วไปถามคนที่มีแฟนดูคนที่มีลูกดีมันสุขห ร, รือเปล่ามันก็สุขสุขดิบๆด็บอะคืนไม่เข้าคลายไม่ออกไปถามแล้วก็ไม่เชื่อหรอกคะ่ะ <c oughs> เขากังอยากจะไปลองนะ <c oughs> นั่นแหละยังไม่เชื่อเออลองอยังไงก็ยังไม่เชื่ออยู่ดี ร้ำตาเรื่องก็ยังไม่เชื่อเดี๋ยวก็หาใหม่อยู่ดีเสียคนนี้ไปแนละ้วเดี๋ยวก็หาใหม่เพราะยังเราถูกหลอกว่าคนใหม่จะดีกว่าคนเก่าเลยครับนช่ไหมกิ <laughs> เลสมันฉลาดมันหลอกได้ตลอดเวลาเราต้องเอาความจริยืนยันเถอะมีอะไรมันเพียงมัง่งมันสุกก็สุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวสุกก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยน เวลาได้กันใหม่ๆรู้จักกันใหม่ๆก็หอมหวานดีไป็นหมดชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าเราอยู่กันไปสักพักหนึ่งชี้อะไรก็ไม่เป็นอย่างที่ชี้แล้วไม่เอาอกเอาใจน่ะใหม่ๆก็เอาอกเอาใจกันเกงใจกันเร อ, อยู่ไปสักพักหนึ่งความเอาอกเอาใจหายไปความเกงใจหายไปอความ ความอยากนี้มาแทนที่นลอยากอยากแล้วไม่ได้อะไรก็โกรธละทีนี้ด่าละสิความเก่งใจหายไปหมดนะเปลี่ยนไปละอนิจังเนี่ยอะไรของอนิจังต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ที่กิเลสหลอกให้เราไปหาเนี่ยมันเป็นอนิจังมันดีเดี๋ยวเดียวดีชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือมันเดี๋ยวมันก็หมดไป แลวเราก็ห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เปลอาหมดไปเราก็เสียใจสู้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับอุเบกขาดีกว่าอยู่กับความสงบที่เกิดจากาความนิ่งของจิตดีกว่า<ม>นี่คือการสอนใจให้ตัดความอยากต่างๆไปให้หมดความอยากก็มีสามตัวที่คอยจะคอยดึงใจให้เราไป หาเรื่องหาราวหาทุกข์กามาตัณหาก็อยากมีอยากเป็นกามาตัณหาก็อยากดูรูปอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะอยากอยู่เรื่อยอยากดูอยากฟังอยู่บ้านแล้วมันอึดอัดพอได้ออกไปนอกบ้านแล้วรู้สึกโล่งอกโล่งใจได้ไปเดินตามศูนย์การค้าได้ไปเดินตามสวน ส, สนุกไปที่ท่องเที่ยวต่าง เนี่ยกำลังเสพรูปเสียงกิ่นรถอยู่เสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดกลับมาบ้านก็กลับมาเจอของเดิมถ้าปัญหาเดิมก็ยังก็เจอปัญหาเดิมมีอะไรของเดิมก็ต้องเจออยู่เยาหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหนีความทุกข์ไปไม่ได้หนีความเศร้าไปไม่ได้ ถ้าอยากจะหนีความเศร้านี้ต้องหยุดความหยุดความคิดนั้นเองทำใจให้สงบหรือถ้าจะใช้หยุดอย่างถาวรก็ใช้ปัญญาว่าของทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วไปอยากให้มันกลับมาอยากไปจนวันตายมันก็ไม่กลับมาหรอกเหมือนความฝันไม่เคยนี้นอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาหายไปหมดแล้ว แต่ใจยังอยากฝันดีฝันยังไงก็ไม่เหมือนกันแล้วละไปสั่งให้มันฝันเหมือนเมื่อคืนนี้ก็ฝันไม่ได้นะพออยากแล้วมันก็จะเสียใจไม่ได้ตั้งใจอยากงั้นอย่าไปอยากให้เราอยู่กับความจริงความจริงนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงแต่ถ้าเราไม่ไปไปเสพมันมันจะไม่เป็นปัญหาอะไร ขอให้เรามีความสงบเป็นเป็นอาหารแล้วเราไม่ต้องไปกินอาหารอย่างอื่นไม่ต้องไปกินอาหารชนิดอื่นอาหารชนิดอื่นนี้มันสแสลงใจมันเป็นเหมือนอาหารบูดเรากินอาหารบูดแล้วเป็นไง<ม>เดี๋ยวก็ท้องเสีย<ม>ถ้าเราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสียใจใจเสีย<ม><ม>เพราะมันสแสลงจิกลับใจ อาหารนี่เวลาเรากินไม่รู้ว่ามันบูดแล้วเวลาเห็นอาหารโอ้โกิ่นก็หอมรสก็ดีกินเข้าไปอาจารย์แค่แต่คนไข้เวลาป่วยชอบไปทานของแฉลงนะคะก็มันกิเลสมันชอบมันก็มันก็ต้องกินตามที่มันชอบถึงแม้หมอห้ามมันก็ยังอมันก็มันไม่ยอมกิเลสไม่ยอมแล้วถ้าไม่ได้กินตามที่มันอยากมันก็ทุกข์ใจทรมานใจ เลยยอมเลยยอมยอมเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าอย่าอย่า ก, กินไขมันมากตอนนี้ไขมันขึ้นก็ไม่ยอมหมอบอกอย่า ก, กินน้ําตาลมากมันก็ไม่ยอมฟังมันยอมตายดีกว่ายอมอดอดแล้วมันทรมานมันคิดว่าตายไม่ทรมานมันคิดว่าตายแป๊บเดียวไม่หายใจปุ๊บก็จบแล้วแต่ อดนี่มันทรมานนานทั้งวันทั้งคืนคิดถึงแต่ของที่อยากกินแล้วไม่ได้กินนี่โอ้โหมันทรมานใจนเราจึงต้องมาฝึกสติหยุดความคิดให้ได้พอหยุดความคิดแล้วมันความอยากมันก็เกิดไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายอย่างน้อยมันก็หยุดเป็นชั่วคราวด้วยสติสติไี่หยุดความอยากได้ชั่วคราวด้วยการหยุดความคิด เราจะหยุดความอยากอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาให้มาเปลี่ยนความคิดจากการเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นสุขนั้นให้เป็นทุกข์ไปให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่จะทําให้เราทุกข์เป็นอาหารอาหารบูดกินแล้วเดี๋ยวท้องเสียเสพแล้วเดี๋ยวใจจะเสียเดี๋ยวจะเสียใจได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียใจเพราะสิ่งที่ได้มามันต้องเปลี่ยนไปต้องหมดไปต้องจากเราไป นี่คือขั้นของปัญญาก่อนที่จะใช้ปัญญาได้จิตต้องมีอุเบกขาก่อนต้องยืนตรงจุดอุเบกขามื่อนึ่งจะสู้ได้ถ้ามันไม่มีอุเบกขานี่พอขนาดหมอสั่งหมอหมอนี่ก็ปัญญาของหมอแล้วนหมออยากกินเนะห้ามนะอหน้ำตาลห้ามไขมันนะห้ามห้ามสาปปัตว์เปกนะพวกที่เป็นเก้าเนี่ยก็ยังอดไม่ได้ว่ามันเคยกิน เคยอยากมาพอมันไม่ได้กินแล้วมันทรมานใจนอกจากคนที่มีปัญญาเห็นว่ากินแล้วเป็นโทษกับตัวเองเหมือนกับกินยาพิษอย่างนี้ถ้าเห็นว่าเป็นยาพิษแล้วมันก็เลิกกินได้แต่ถ้ายาเห็นว่าเป็นขนมอยู่ยังเป็นของละเล็ดอร่อยอยู่มันก็จะเลิกไม่ได้เราต้องมาเปลี่ยนทัศนคติสอนใจใหม่ เรา้เห็นว่าทุกอย่างที่เรากำลังเสพอยู่นี่เป็นยาพิษทั้งนั้นลูกเสียงกลิ่รสต่างๆนี่เป็นยาพิษถ้าอะไรนี่เป็นยาพิษแล้วเราจะเลิกกามาตัญหาได้เราจะหยุดกามาตัญหาได้ภาวะตัญหาก็อยากมีอยากเป็นอยากได้นูน่นอยากได้นี่เช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญอันนี้ก็เหมือนกันทำให้ใจเราวุ่นวาย ได้มาแล้วก็วุ่นวายเวลาที่ยังไม่ได้ก็วุ่นวายพอได้มาแล้วก็วุ่นวายกับการกังวลต้องหวงต้องห่วงเดี๋ยวกลัวจะจากเราไปอีกได้มาแล้วแล้วเวลาจากไปก็เสียใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้อย่าไปอยากได้มัน แล้วข้อสุดท้ายการภาววิภาวะนัณหาก็คือได้มาแล้วก็ไม่อยากให้มันจากเราไปวิภาวะนัหามีอะไรก็ไม่อยากให้มันจากเราไปอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆอันนี้ก็ทำให้เราทุกข์อีกเพราะไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปนานๆต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องจากกันถ้าเราเห็นความจริงด้วยปัญญาว่าทุกอย่างมันต้องมีการจากกัน ไม่มีอะไรที่เราไปเก็บไว้เป็นของเราได้ตลอดถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่เอามันเพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองถ้ามันจากเราไปมันก็จะทาให้เราทุกข์ถ้ามันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้เราทุกข์ดัน้นเรามาอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับอุเบกขาดีกว่า<ม>อยู่กับดักติสันติพลังสุขขังดีกว่า<ม>สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี มาหาความสงบอันนี้ให้เจอด้วยการฝึกสติขั้นต้นการปฏิบัตินี้ต้องต้องทุ่มเทไปที่สติปัญญาตอนนี้ยังไม่ต้องไปกังวลยังไม่ใช่ถึงเวลาเหมือนกับเด็กที่เรียนหนังสือตอนต้นให้ทุ่มไปกับการท่องกอไก่ขอไข่ก่อนยังไม่ต้องมากมังวลกับการเขียนเรียงความให้เขียนเรื่องนั้นเขียนเรื่องนี้ยังเขียนไม่ได้ เมื่อกองไก่ขอไขยังจําไม่ได้แล้วจะไปเขียนได้ยังไงทัานใดถ้าจิตยังไม่มีสติจิตยังไม่มั่นคงจะไปคิดในทางปัญญาไม่ได้ไม่มีกำลังที่จะดึงไปคิดทางปัญญาในวันนี้บอกให้ไปคิดถึงอาการ32ดูดูสิว่ามีกลพรุ่งนี้มากลับมารายงานให้ฟังหน่อยอว่าวันได้คิดหรือ ย, อยังอาการ32เนี่ย มีของีในตัวเราตลอดเวลาแต่กลับมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ผิวเห็นแต่จมูกเห็นแต่ตาเห็นแต่แต่ผิวนี่มองไม่เห็นผมขนเล็บฟันนี่มองไม่เห็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกมองไม่เห็นยิ่งเข้าไปข้างในมองไม่เห็นใหญ่เลยตั้งแต่เกิดมาไม่รู้้วยซ้ำว่ามีอาการสายสองอยู่ในร่างกายนี่ มันมันไม่มาง่ายๆหรอกปัญญาเพราะกิเลตมันไม่ยอ ม, ม, มไม่มาปัญญาไหมกิเลสมันจะให้เดินไปคิดถึงแหวนเพชรเอ่ยสร้อยเพชรเอ่ยกำไรเอ่ ย, อยกระ เ, เป๋าเอ่ยร้านอาหารร้านนูน้นร้านนี้เอ่ยลงภาพยนตร์นั้นลงภาพยนตร์ น, นี้มันจะไม่ให้มาคิดถึงเรื่องของปัญญาหรอกอคนที่คิดเรื่องปัญญาได้นี่ก็สแสดงว่า จิตต้องมีพลังมากถึงจะสู้กับกิเลสสู้กับโมหะอาวิชชาได้โมหะอาวิชชามันจะหลอกให้เราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงลาบยศสรรเสริญจะตื่นขึ้นมาก็คิดแล้ววันนี้ไปหาเงินที่ไหนดีไปหาความสุขที่ไหนดีมีแต่คิดแต่เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเองอยังต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วถึงจะสามารถ สั่งให้ใจคิดไปในทางปัญญาได้เบื้องต้นเรามาหยุดความคิดก่อนเหมือนกับเราขับรถไปแล้วเรารู้ว่าขับผิดทางไปไปทางทิศใต้เราต้องการไปทิศเหนือเราก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดแล้วก็ยู turn, เทิร์นเลี้ยวกลับถ้าไม่หยุดมันก็เลี้ยวกลับไม่ได้อันนี้เรากำลังคิดไปในทางการเวียนว่ายตายเกิด คิดไปในทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเราก็เลยต้องหยุดมันหยุดความคิดเทียคิดไปในทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาพอหยุดคิดได้แล้วทีนี้ก็สอนให้มันคิดไปในทางที่ไม่มีกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาคือสอนให้มันรู้ว่าถ้าไปทางนี้แล้วเดี๋ยวตกเขวเหมือนถนนเนี่ยที่เราขับไปแล้ว พอดีถนนมันเสียเขาก็มีป้ายติดไว้บอกว่าอย่าไปทางนี้ไปแล้วเดี๋ยวรถจะตกเหวถนนมันขาดี้ถ้าเราเห็นป้ายเราก็ไม่ไปถ้าเรามีปัญญาก็เหมือนกับเห็นป้ายเห็นว่าอย่าไปทางกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะมันจะนําไปสู่ความทุกข์สู่ความเศร้าโศกเสียใจสู่การเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่มีวันจบสิน้น นี่คือปัญญาหลังจากที่เราได้อุเบกขาแล้วเราก็จะมีกําลังเขียนป้ายสอนใจเตือนใจว่า อ, อย่าไปทางนี้นะอย่าไปทางกลามวัฏัหาอย่าไปทางวิภาวะวัฏหาอย่าไปทางภาวะวัฏหาอย่าไปหาลาบยศรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาอุเบกขากลับมาอยู่ที่อุเบกขาถ้าอยากไปก็ดึงกลับมา ถ้าอ ย, อยู่ที่อุูเบขาแล้วก็รักษามันไว้อย่าให้มันออกจากฐานนี้ไปให้มันสักแต่ว่ารู้ไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปเอาเพชรมาให้ก็เห็นเฉยๆไม่เห็นตื่นเต้นดีใจเสียใจมีอะไรขนมกฟงกาแฟเห็นก็เฉยๆน้ำลายไม่ไหลถ้าใจมีอุ่เบขาแล้วมันจะไม่ไหลถ้ามันเริ่มไหลก็ต้องใช้ปัญญาก็พิจารณาให้มันกลายเป็นอุจจาระไปเลย ขนมเดี๋ยวมันก็ต้องออกมากลายเป็นอุจจาระขนมอาหารของกินนี่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรพิจารณาให้มันเห็นเป็นอุจจาระเล ย, เลยแล้วมันก็จะไม่อยากกินนี่คือปัญญาซึ่งกิเลสไม่ชอบให้เราคิดกันใช่ไหมเราเคยคิดเป็นก่อนจะกินอาหารนี่อาหารนี่ต่อไปมันจะกลายเป็นอะไรเวลาเข้าไปในปากแล้วมันจะเป็นอะไร แวลามันเคี้ยวมันถูกขบเคี้ยวมันผสมด้วยน้ําลายแล้วมันมันน่าดูไหมน่ากินไหมไม่เคยคิดกันเลยเป็แต่เคี้ยวเียวกึนกึนเคี้ยวเคียวกึนกึนน้าลายก็ไหลผสมอไม่คลายออกมาดูหน้าตามันหน่อยดูซิมันจะเกินยังหลงเกินเข้าเข้าไปได้หรือเปล่ากินเล่นม่นไม่ยามให้เราคิดหรอกกินเล่มันให้เรามองแต่ในจาน หรืออาหารที่ยังอยากจะสั่งเพิ่มอีกเคี้ยวอยู่ในปากนี้ใจก็ไปสั่งอาหารเพิ่มอีกจานหนึ่งนะดูผิดที่ต้องดูในปากดูในท้องดูเวลามันออกมาจากร่างกาย <S <S ถ้าดูอย่างนี้แนละ้วมันจะไม่อยากมันจะกินแบบกินยา <S <S ต้องบังคับมันถึงกิน <S <S ถ้าไม่บังคับแล้วมันไม่กินยานี่เราต้องบังคับไหม ไม่บังคับถึงเวลาไม่ถึงเวลากินไม่ไม่กินเนี่ยไม่มีใครอยากกินยาหรอกแต่ทอถึงเวล า, าต้องบังคับถึงเวลากินยาแล้วกินอาหารก็ต้องให้มันกินแบบกินยากินเพื่ออยู่กินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเพื่อไม่ให้มันตายอย่าไปกินเพื่ออย่าไปอยู่เพื่อกินอย่าไปกินด้วยความอยากกินด้วยความอยากแล้วจะเป็นโทษเป็นภัยต่อร่างกายต่อจิตใจ เพราะใจจะทุกเวลาไม่ได้กินตามความอยากนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะตามมาแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญานี่ขอให้เรามาสร้างสติขึ้นมาก่อนให้มีสติให้ควบคุมความคิดให้ได้ก่อนเมื่อเราควบความคิดได้เวลาใจจะคิดไปในทางความอยากก็ใช้ปัญญามาหยุดมันอยากกินไงมันนะึกถึงบุจตระนี่ สิ่ที่เรากินต่อไปมันก็กลายเป็นอุจจาระขึ้นมาคิดถึงแฟนก็คิดถึงตอนที่เป็นซากศพไปอย่าไปคิดถึงตอนที่เขายังมีลมหายใจอยู่คิดถึงตอนที่เขาอไม่มีลมหายใจแล้วยังจะเก็บเขาไว้ในบ้านหรือเปล่ายกให้สับเปลเรือเลยเวลามีลมหายใจนี่โหใครมาขอไม่ไม่มีวันให้หรอก พอไม่มีลมหายใจนี่ยกให้สับปปเปล่ได้อย่างง่ายดายเลยใครอยากได้มาเอาไปเลยนี่คือวิธีคิด ท, ทางปัญญาแล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรใจจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากเสียอะไรอะไรจะเสียก็ยินดีที่จะเสียเพราะรู้ว่ามันถึงเวดาต้องเสียมันก็ต้องเสียไม่ไปยืมมันไม่ไปดึงมันไว้ ไปยื้อไปดึงมันไว้ก็ทำให้ทุกข์ไปเปล่าๆแล้วก็สู้ไม่ได้อยู่ดีที่สุดก็ต้องถูกเ็าดึงเอาไปแย่งเอาไปจากเราไปพัดภาคจากกันนี่คือวิธีทำให้ใจเรามีความสุขตลอดเวลาขั้นต้นก็ดึงให้มาอยู่ตรงจุดอุเบกขาด้วยสติขั้นที่สองพอคือ อยู่ในจุดอุเบกขาแล้วเวลาจะออกไปด้วยตัณหาความอยากก็ใช้ปัญญาทำลายความอยากเสียเรากำลังดึงใจไปหาความทุกข์กำลังแว่งเท้ากข่งเท้าไปหาเสี่ยนอยู่เฉยเฉยอย่างงี้ดีอยู่แล้วไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้มันทุกข์ทำไมอยู่ในป่าในเข า, างี้สบายอยู่แล้วมีความสุขสบายใจเบา อ, อกเบาใจพอไปเข้าไปในบ้านในเมือง เดี๋ยวก็ปวดหั ว, วคนที่มาอยู่วัดเราเวลากลับไปใหม่ๆนี่โอโ้โหทรมานไปกลับไปแ ล, แล้วเจออะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดแต่ก็ต้องกลับเพราะยังไม่มีปัญญาที่จะดึงไว้ไม่ให้กลับไปแต่ถ้ามีปัญญาบอกเนี่ยกลับไปแล้วก็จะไปเจอแต่ความวุ่นวายใจไม่กลับดีกว่าบวชเลยบวชอยู่นานไปเลยกอนหัวเลย ไอ้ชีบวชได้นานเท่าไหร่นะมี20ปีเองโอ้ย20ปีแล้วบวชอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่อยู่บ้านบึงค่ะที่ได้นักการูาโอ้ยทไมถึงอะไรถึงบวชอ่ะก็ตอนนั้นไม่ค่อยสบายป่ ว, แวปยแล้วถ้าหลังชายบวดก็เลยตามอแล้วทแล้วทอะไรถึงอยู่ได้นานถึง20ปีน่ มีกำลังใจค่ะถ่าหลังชายพาธุดงค์ขึ้นภูหลังกาบ้างเข้าป่าเข้าดงไปเรือยอ๋อภูลงกาช่วงที่หลวงปู่บุญมีอยู่อเป่าใช่ช่วงนั้นแหละดีก็เนี่ยแหละแล้วเป็นไงดีกว่าบวชกับไม่บวชทันไหนดีกว่ากันบวช ด, ดีกว่าค่ะอแล้วทำไมคนอื่นก็ไม่บวชล่ะ <c oughs> ยัง <c oughs> ย ง, ง้าอยู่เลยมอ่ากันไม่ <c oughs> หล่กันกิเลสค่นเ่นกัค่ะพีจา ฮึฮึฮึฮัฮึฮึัึฮนัึฮึฮึฮึนึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึเึฮึฮาฮึฮึฮึฮึฮึฮอฮอฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮรืึฮนะึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮาฮึฮึฮึใึฮึนึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึตญญาฮึฮ ใช้อสุภะใช้อาทิตย์ก่อนไม่ค่สบายแล้วเราเป็นปอดตับตั่เสียตับปอดปอดชื้นก็ไม่คนกมอยากให้ไปหาหมอก็ไม่ได้ไปหาากที่ก็พยายามดูเดินจงกรมนั่งสมาทีดูดูเขาค่ะอยู่กับทุกอยู่กับทุกก็เวทนาได้นะ อ, อ, อยู่ได้นะ อ, อาจารย์แล้วก็เกิดปิติที่ทุกขเวทนาเห็นเตียอยู่กับมอที่ที่ยงถ้าจิตเราเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่ไม่เดือดร้อนพยายามให้จิตสงบให้นิ่ง ไห้สัตว์แต่กรู้อย่าไปอยากให้มันหายมันจะหายก็หายเองอมันจะไม่หายอยากยังไงมันก็ไม่หายอยู่ดีก็รู้มันไปตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ทรมานดีล้ลก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะก็คิดว่าสมควรแก่เวลาสําหรับช่วงชั่วโมงแรกจะอนุโมทนาให้พอย ยะถาวาริวะหาปุราปะริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิทิ่ต um ังปฏที่ตังตุลหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุส so ังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ ปะรสยยัตสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสันิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมมวัฏาติอายุวันโอสุขัง อาคล่า ง, งเดี๋ยววันนี้จะมีถามตอบได้ถึงประมาณสามโมงยี่สิบต่อจากนั้นจะมีถามตอบเป็นภาษาอังกฤษอันนี้มีคำถามที่ชาวต่างประเทศเขาส่งเข้ามาสะสมเก็บเอาไว้เดือนกวา่ามีประมาณสามสิบยี่สิบกว่าคำถาม เดี๋ยวก็ต้องเป็นภาษาจษษษีนแต่ช่วงนี้ยังเป็นภาษาไทยอยู่ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้ทางบ้านเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้วันนี้สูงสุด4 3 9อ่าอายุรู้105อ่ามีใครอยากจะถามคามถามอะไรไหมคุณสารา<ม>ถ้าไม่มีก็<ม>ทางบ้านมีหอเปล่า คำถามจากคุณเปาข้อที่หนึ่งค่ะถ้าจะปฏิบัติให้ได้ผลต้องไม่ติดต่อเพื่อนเก่าไม่เล่นไลน์ใช่หรือไม่คะก็มันจะทําให้มีเวลาได้ปฏิบัติมากขึ้นไงถ้าไปติดต่อกันมันก็เสียเวลาไปกับการติดต่อกับการเล่นไลน์อะไรกันไปสําหรับที่เราไปอยู่บ้านตา น, นี้หลวงตาท่านห้ามหมดเลยนะวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ อะไรต่างๆนี่ไม่ให้มีเพราะมันจะดึงใจให้ออกข้างนอกเราต้องการจะดึงใจให้เข้าข้างในถ้าเราไปมัวแต่ยุ่งกับเรื่องนี้มันก็ใจก็ไม่เข้าข้างในมันก็จะไม่สงบนั่งสมาธิงไนก็ไม่สงบเราต้องเลือกกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หมดเลยนอกจากการใช้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายท่านเองแต่จะไปหาความสุขหาบันเทิงจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมให้มาปฏิบัติดึงจิตให้เข้าข้างในให้ได้ข้อที่สองค่ะการที่พระอาจารย์ให้ไปบวชเพื่อให้ทราบได้ว่าถึงไม่ใช้เงินทองก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขใช่หรือไม่คะ ก, ก็เวลาบวชก็ไม่ต้องใช้เงินทองถ้าใช้ก็ใช้น้อยมากสาหรับถ้าเรายังไม่ได้บวชเป็นพระเราก็ยังต้องใช้เงินสาหรับ ค่าอาหารค่าอะไรค่าปัจจัยสี่นั่นเองแต่ถ้าเราบวชแล้วก็มีคนอื่นเข้ามารับภาระนี้ให้กับเราเวลาบวชแล้วก็มีคนศรัทธาเขาก็ทําบุญให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยเงินทองนี้ไม่มีความจําเป็นสําหรับจิตใจจิตใจสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงินทองแต่ร่างกายยังต้องมีเงินทองอยู่ แต่มีก็ชั่วคราวเท่เนเดี๋ยวตายไปก็จบงั้นก็ไม่สำคัญไม่มีเงินเลี้ยงดูร่างกายมันจะตายก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นถึงเวลามันก็ต้องตายอยู่ดีทีสามค่ะาการเดินจงกลมสามารถเดินพร้อมภาวนาพุทโธได้หรือไม่คะได้คำถามจากคุณธนพรอ่าฝนมาแล้ว ในการปฏิบัติทำสมาธิเมื่อเราออกจากสมาธิถ้าเราไม่คลายสมาธิจะมีผลต่อการทําให้เราเป็นโกกรคสมองเสื่อมในภายหลังใช่ไหมเจ้าคะอ๋อไม่เกี่ยวอนะันละสมาธิไม่มีผลต่อเรื่องสมองเสื่อมนีม่แต่จ ะ, ะมีแต่จะทําให้จิตใจสุขสบายเสียการเยอะยึอยู่ยกันนะนี่ครกำลังเคลื่อนไหวอยู่ ไม่ได้ฟังกันคู่ไปเขาก็ไม่ได้ฟังวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีไม่ค่อยเ อ, อื้ออํำนวยทั้งเสียงคนทั้งเสียงฝนเนี่ย <c oughs> เสียงรถ <c oughs> เสียงอะไรอาจคิดว่าใส่เงินในลาดนี้ช่วงนี้ที่เราว่าไม่ควรใส่ใส่จะผิดไหอ๋อไม่ผิดหรอกโยไม่ผิดหรอกท่าก็ <c oughs> ไม่ผิด <c oughs> มันไม่ได้เป็นความตั้งใจ ยอมไม่รู้เรื่องท่าก็ไม่ทันมันไม่อยู่ในเวลาที่จะไปห้ามได้ก็ใส่ไปอย่างว่าตอนี้เราก็ยังใส่ได้คือเราคิดดูเรารู้ว่ามันไม่บันผิตแต่เรายังใส่อยู่ตอนนี้คเพราะถือว่าทา่าก็ต้องชใช้ปัจจัยอยู่ได้อยู่ในธรรมะแล้วก็กใส่ก็ตามใจเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วออ โ ย, ยมไม่ผิดอะโยมได้บุญนะเห็นแต่ว่าพระนี่ท่านห้ามไม่ให้รับกับมือแต่รับได้แต่ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์อย่างนี้คือไม่ต้องการให้พระพกพางเงินทองเพราะว่ามันเป็นอันตรายเดี๋ยวถูกโจรผู้ร้ายป้นจี้ได้ถ้ารู้ว่ามีเงินอยู่แล้วพา้พาบพไปทุดอพระไปอยู่ตามที่เปลี่ยวอย่างนี้มันจะเป็นอันตราย ถ้ามีเงินทองพกติดตัวไปก็เลยไม่ให้พระมีเงินทองพกติดตัวไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องแค่ชั่วครั้งชั่วคราวใส่บาทแล้วเดี๋ยวกลับไปที่วัดให้ลูกศิษย์เก็บไว้ต่อหรืออะไรก็มันก็พออามอรมณ์ารวยกันได้มัง จ, จะว่าไม่ผิดเลยก็ไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้เอาไปทำอย่างไรกับมันถ้าเอาไปเก็บไว้ส่วนตัว เหมือนกับญาติโยมแล้วเวลาอยากจะไปไหนก็พกพาไปอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ผิดแต่ถ้ารับไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปฝากลูกศิษย์ต่อให้ลูกศิษย์เก็บไว้เราไม่มีเงินทองเวลาต้องการอะไรก็ให้ลูกศิษย์ไปจัดซื้อให้ถ้าอย่างนี้มันก็ยังพอที่จ ะ, ะ<ม>ก็เรียกอะไรพออนุโลมกันได้ คือเป้าหมายก็คือไม่ให้พกพาไม่ให้ใช้เงินทองด้วยตัวเองไม่ให้เก็บไว้ไม่ให้เก็บไว้ไม่ให้พกพาไม่ให้ไปใช้แต่ถ้าจำเป็นตอนที่โยมมาให้ไม่มีลูกศิษย์ก็รับไว้ก่อนแลเดี๋ยวเอาไปให้ลูกศิษย์เก็บไว้ให้อีกทอดหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าอนุโลมกันไปแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีลูกศิษย์รับไปมันก็จะดูมันจะ ดูสะอาดกว่าดูเท่านั้นเองแต่สมัยนี้ส่วนใหญ่ท่านก็รับแล้วท่านก็พกพากันใช่ไหมเพราะท่านเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือก็ต้องต้องจ่ายเงินนอกจากผ้าที่ท่านเคร่ ง, งท่านก็ต้องอาศัยลูกศิษย์ต้องหาลูกศิษย์เวลาจะไปไหนก็ให้ลูกศิษย์เป็นคนจ่ายให้ คือรถโรงเรียกก็ต้องมีลูกศิษย์ติดตามไปเป็นคนคอยจ่ายค่าตัว๋วค่า อ, อะไรต่างๆขอโอกาสพระเจ้าคะคือว่าหลังจากที่เราออกจากคือเรามีศนะสมาธิระดับปรินาสมาธิแล้ว เ, เราออกมาธิที่เราจะเดินปัญญาค่ะนอกจากพิจรารณาไัยแล้วแล้วเรายังคีดว่ากายปัตตาสตินี่เป็นทั้งสติทั้งปัญญาได้ใช่ไหมคะได้ปริานุ ส, นสติอ่ะต่างกันตรงไหน ันารระถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักมันก็เป็นปัญญาหรือเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามก็เป็นปัญญาเช่นร่างกายนี้เห็นมันไม่สวยไม่งามมันก็จะมาลบมาทำลายความคิดที่ว่าร่างกายสวยงามได้มันก็เป็นปัญญาเป็นความจริงแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธนี่มันไม่มีปัญญามันเป็นเพียงแต่ ชื่อของพระพุทธเจ้านั่นเองปัญญาไม่เกิดถ้าเราเลิกถึงความตายมันก็เป็นปัญญาเพราะมันเป็นอนิจจามันจะทําให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ต้องดับต้องตายอันนี้ก็เป็นปัญญาแล้วเราสามารถสู่ไดเราสามารถพิจารณาทั้งสามอย่างในช่วงต่อเนื่องกันได้ไหมคะหมายถพิจารณาไจรลกต่อด้วยอาการสามสิบสองได้ตลอดเวลาก็ต่อเนื่า คือการการเ จ, จริญปัญญานี่มันมีสองรูปแบบเจริญปัญญาแบบทําการบ้านกับการใช้ปัญญาในขณะทําข้อสอบนในชีวิตของเรานี่บางบางทีมันไม่มีข้อสอบเราก็ทําการบ้านไปก่อนเช่เราจากสมาธิมาอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาหลุมแล้วเราก็ทําการบ้านไว้ก่อนเตรียมปัญญาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดเราไปเจอ เจอความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องค้นนะว่าความเราทุกข์เพราะอะไรเช่นเราทุกข์เพราะเราอยากได้แฟนอย่างนี้อยู่คนเดียวแล้วมันเหงามีแฟนแล้วจะมีความสุขเราก็ต้องพิจารณาแฟนว่าเขาสวยหรือไม่สวยเขาเที่ยงหรือไม่เทีย่ยมเป็นสุภาพหรือเป็นอสุภาพ อ, อันนี้มันก็จะทําให้เราถ้ามีปัญญาเราก็จะเลิกความอยากที่จะไปมีแฟนได้ แลมนถ้าถ้ายังไม่มีข้อสอบก็ต้องเทียมทำทำการบ้านไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ทําการบ้านเดี๋ยวเวลาเกิดข้อสอบขึ้นมาเกิดอยากมีแฟนขึ้นมาไม่มีอสุภาพมาช่วยเลยไม่มีอาการสารสิบสองมาให้ดูเลยมันก็จะเห็นว่าโอ้ยเขาน่ารักเขาน่าดูมันก็จะไปมีแฟนจนได้งั้นการเจริญปัญญามันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อยู่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเราก็ซ้อมลบไว้ก่อน ซ้อมชกไว้ก่อนมืนนักมวยต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆเตรียมอาวุธไว้อยู่เรื่อยๆเตรียมคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะได้เอามาสอนใจไว้อย่าไปทำเป้าหมายของปัญญาก็คือเพื่อให้หยุดความอยากถ้าอยากได้นู่นได้นี่ก็บอกมันไม่เที่ยงนะได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้มาแล้วก็หมด เวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็จะเสียใจก็เท่ากับการไปหาความเสียใจสู้อยากไปอยากไม่ดีกว่าอย่าไปมีไม่ดีกว่าอ น, นี้คือการพิจารณาทางปัญญาแล้วที่ว่าเราออกจากสมาธิเรากําลังสมาธิหมดแล้ว เ, เราเดินปัาญมันก็น จ, จะไม่เกิดผลเราจะทราบได้ยังไงคะว่ากําลังสมาธิเราหมดแล้วก็สู้ความอยากไม่ได้เลยพออยากจะดื่มกาแฟสู้มันไม่ไหว ไปดื่มที่ข่าต่อไปก็กลับไปนั่งสมาธิพอมันจะดื่มจะไปดื่มกาแฟก็ไปนั่งสมาธิแทนพอจะไปดูทีวีก็ไปนั่งสมาธิแทนแสดงว่ากำลังเราหมดแล้ ว, ว, วลถ้าเราแพ้แพ้ความอยากก็แสดงว่าเราหมดกำลังถ้าเราฝืนความอยากได้ชนะความอยากได้เราก็มีกำลังแต่สมาธิถึงแม้ว่าเราจะไม่มี ไม่ได้ทําข้อสอบเราก็ควรจะกลับเข้าไปบ่อยๆถ้าเราพิจารณาสักพักแล้วเรารู้สึกว่าเบื่อหรือว่าพิจารณาแล้วไม่มีเหตุมีผลหรือและเทะคิดไปนอกเรื่องนอกเราก็ควรจะหยุดพิจารณาแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่เพราะบางทีเผลอเดี๋ยวคิดทางปัญญาได้พักหนึ่งเดี๋ย ว, ยวคิดถึงลูกคิดถึงคนนูน้นคิดถึงวันนี้คิดถึงสมบัติเข้าของเ ง, งินทองขึ้นมาเกิดความวิตกเกิดความห่วงใยขึ้นมาอีก ก็ควรจะหยุดพิจารณาได้แล้วไม่เป็นปัญญาแล้วกลับเข้าไปสมาธิพักจิตหึงจิตให้กลับเป็นอุเบกขาก่อนเพื่อตัดความอยากก่อนพักความอยากที่จะไปคิดเรื่องอื่นแล้วค่อยออกมาพิจารณาให้สั่งให้มันคิดแต่เรื่องอนิจจงทุกขงังอนัตตาให้คิดแต่เอาสุภาให้คิดแต่อาการสาสบองให้คิดแต่ความเป็นปฏิกูลของอาหารอะไร ไอ้มันคิดไปเรื่อยเพื่อให้มันจำไม่ให้มันหลงอันหนึ่งนะเหมือนการเป็นการทําการบ้านพอเวลาเดี๋ยวเกิดความอยากขึ้นมาจะได้ใช้มันได้ทันทีถ้าเกิดเขาเกิดเจอข้อสอบแล้วทําไม่ผ่านก็แสดงว่าปัญญาไม่ทันลืมไปละหรือว่าปัญญาทันแต่แต่สมาจิไม่มีกําลังที่จะหยุดมันก็แสดงว่าสมาธิเรายังไม่มีกําลังพอ แต่ถ้ามีปัญาสมาธิแล้วถ้าปัญญาบอกให้หยุดมันหยุดเลยแต่ถ้าไม่มีอัปันาสมาธิปัญญาบอกให้หยุดมันไม่หยุดนะเราต้องมีสมาธิก่อนแล้วพอเรามีปัญญาปัญญาบอกให้หยุดก็เราก็จะหยุดได้พอเราหยุดเป็นการนั่งสมาธิก็เพื่อหยุดจิตนี่หยุดจิตหยุดกิเลสกิเลสมันก็อาศัยจิตเป็นตัวทางาน สชั่วโมงสองครั้งนี่มันต่างกันอย่างไรบ้างคะมันก็แล้วแต่ถ้านั่งแล้วมันเกิดทุกขเวทนาแล้วเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาให้ให้ผ่านเวทนาไปได้อันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กว่าถ้านั่งหลายชั่วโมงแต่จิตสงบแต่ไม่มีไม่ได้ผ่านเวทนามันก็ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ปัญญาดัน้บางทีมันไม่นั่งมันเราไม่ได้ดูที่เวลาเป็นหลักดูที่ผล ถ้าจิตสงบไม่มีทุกขเวทนาถึงไม่จะนั่งได้นานมันก็ได้แค่ได้แค่สมาธิแต่ถ้าจิตมันนั่งแล้วมันมันไม่สงบแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาทุกขเวทนาจนกระทั่งเราอยู่กับทุกขเวทนาได้ไม่เดือดร้อนกับทุกขเวทนาอย่างนี้เราก็จะได้ปัญญาเนี่ยโดยหลักมันก็ถ้านั่งได้นานแบบช่วงเดียวตลอดก็แสดงว่าสติเรามีกำลังมาก ถ้านั่งไม่ได้นานก็แสดงว่าสติเรามีกําลังน้อยเท่านี้อย่างพวกที่เขามีสติดีๆเขาเข้าฌานได้ทีเจ็ดวันสิบห้าวันอย่างเงี้ยพวกนี้พวกพวกที่มีสติทีท่ดีมากอพวกที่มีสติน้อยเขาไปปั๊บก็ได้เงอกได้เงาะมาพวกงูลาบลบ <c oughs> ิ้รพน นั่หละถ้าเราพิจารณาได้ผ่านมันได้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่เดือดร้อนก็อยู่นิ่งๆพียงน้ำมันเป็เรื่องปลอดให้มันเจ็บไปอเจ็บมากก็ทนเราเป็นคนดูเราไม่ได้เป็นคนเจ็บเราไปเดือดร้อนแทนคนดูคนเจ็บทําไมใครคือคนเจ็บร่างกายใช่ไหมใครคือคนดูแต่คนดูไปเดือดร้อนแทนคนเจ็บคนเจ็บก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยคนเจ็บก็ไม่เดวอดขอให้ขยับขาหน่อยเลยใครเป็นคนบอกให้ขยับขาแล้วคนดูนั่นแหล คนดูต้องแยกออกจากร่างกายแล้วบอกไม่ใช่เรามันจะเจ็บก็เรื่องของร่างกายก อ, กอ้อารคพอเวลาเราขาดเวทนาไปครั้งหนึ่งต่อไปพอเรานั่งอีกมันจะไม่มีเวทนาเลยอันนี้มันเจ็บผวดเพราะอะไรคะมันมีเพียงแต่ว่าเราอาจจะนั่งนั่งแบบมันสงบก่อนมันก็เลยไม่มีถ้าอยากตามปกติร่างกายมันก็ต้องมีเวทนาตามภาษาของมันถ้าไม่มีจากการนั่งเดี๋ยวก็ต้องมีจากการเจ็บไายได้ป่วย เดี๋ยวก็ปวดฟันเดี๋ยวก็ปวดท้องขึ้นมามันก็เวทนาเหมือนกันแต่ถ้าเราผ่านมันได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องกินยาแก้ปวดคนสมัยนี้ติดยาแก้ปวดจนกระทั่งตายเพราะยาแก้ปวดเพราเวลาเจ็บนี้ก็กินยากินยากันแต่คนที่เขาผ่านเวทนาได้แล้วเขาไม่ต้องกินยาเขาไม่ทรมานเขาอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบาย เขาก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดไม่ติดยาแก้ปวดนะอาจารย์คะเวลานั่งสมาธิแล้วจิตมันเบาโป่งว่างแล้วอย่างเงี้ยมันเรียกว่าขั้นไหนคะเป็นอัตนาหรือว่าเป็นก็แล้วแต่มันมันไม่มันไม่ได้บอกมันเลยว่าเป็นขั้นไหนมันมันเหมือนลิฟที่เรานั่งคือแบบว่าชั้นหนึ่งชั้นสองแต่ก็ใครรู้มันก็แล้วกันว่ามันสงบมันสงบกว่าเมื่อกี้นี้หรือมันสงบน้อยกว่าเมื่อกี้นี้มันก็ขึ้นขลงลงไป แต่ถ้ามันนิ่งสักแต่ว่ารู้เนี่ยบางทีร่างกายหายไปเลยเนี่ยมันก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ามันเป็นอุเบกขามันสักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่รักไม่ชังถ้ายังได้ยินเสียงก็ไม่ลำคาญถ้าร่างกายเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ไม่ลำคาญอย่างนี้ก็เรียกว่าได้อุเบกขา